พระพุทธเจ้าท่านปรินิพานท่านให้ธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนท่านเงั้นเราต้อศึกษาธรรมะนะศึกษาธรรมวินัยถ้าเป็นพระนะโยมเราเรียนธรรมะให้เยอะๆได้ศึกษาได้ลงมือปฏิบัตินะเราจะรู้เลยว่าธรรมะน่ะของจริงเราปฏิบัติแล้วเราพ้นทุกข์ได้จริงๆ ้เรารู้ว่าธรรมมาเป็นของจริงเราก็จะเชื่อแน่นแฟ้นเลยว่าพระพุทธเจ้าก็มีจริงสอนของจริงปฏิบัติแล้วเราก็เห็นผลด้วยตัวเองจริงๆ จ, จิตใจของเราเคยโสโปรกโสโครกกลายเป็นจิตพระสงค์ขึ้นมาจิตทรงธรรมจุดสำคัญอยู่ที่ธรรมะธรรมวินัยไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลมีข่าว พระเสียหายเป็นะระลอกนะเป็นระยะระยะมีมาตลอดนหะจริงบ้างไม่จริงบ้างบางคนก็ฟังแล้วเบื่อบอกต่อไปนี้ไม่นับถือศาสนาพุทธแล้วเพราะมีพระไม่ดีพิมียมไม่ดีทําไมไม่เลิกเป็นคนไทยก็ไม่รู้เนาะเอาพระไปเป็นตัวแทนศาสนาไปนะสิ่งที่เป็นตัวแทนศาสนาเราคือธรรมะนะ ธรรมะนี่ไม่มีใครคานได้เยเป็นสัจธรรมสะอาดหมดจดคงที่ไม่เสื่อมพวกที่บอกว่าไม่เอาแล้วไม่นับถือศา ส, สนาพุทธแล้วไม่ปฏิบัติแล้วท้อใจพวกนี้ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกชาวพุทธจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าของเรายัางอยู่ก็คือธรรมาวินนยนั่นเองเรามาเป็นชาวพุทธนะก็มุ่งตรงต่อ พระพุทธเจ้าต่อคําสอนของท่านไม่ใช่เป็นชาวพุทธเพราะเป็นลูกศิษย์อาจารย์นั้นอาจารย์นี้นะอาาันนั้นโง่เขลามากเลยเราเอามีหูมีตาดีพอที่ไหนที่จะเลือกอาจารย์ยไปเลือกอาจารย์ดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะฟังข่าวอย่างเดียวก็บอกว่าไม่เป็นพุทธละความจริงไม่เป็นเลยมาแต่ไหนแต่ไรศีลห้าก็ไม่เคยมีนะชอบว่าพระศีลขาดไม่ครบ227ตัวเองศีลห้าก็ไม่มีนะ ทานก็ไม่เคยทำศีลไม่รักษาสมาธิเขไม่เคยทำนะต่บอกว่าเป็นชาวพุทธเป็นตัวแทนชาวพุทธมาอ้างนะยังพวกเราชาวพุทธแท้ๆเราดูที่ธรรมวิในว่าเราลงเบิงปฏิบัติแล้วตามที่ท่านสอนแล้วนี่ใจเราพ้นทุกข์ได้จริงไหมลดละกิเลสได้จริงไหมนะความพลาดของพระทั้งหลายนะั้นเป็นเรื่องของกิเลสหรอกมันไม่ใช่เรื่องของธรรมะธรรมะไม่พลาดหรอก การที่พระพลาดนะเพราะพระไม่ทำตามธรรมะอย่างพระพุทธเจ้าสอนนะให้มักน้อยมักน้อยถึงหมายถึงว่ามีโอกาสได้มากก็เอาน้อยอย่างคนเขาจะถวายอะไรเยอะๆเอาเท่าที่จำเป็นอะไรเงี้ยถ้าเกินเขายังอยากถวายเกินนะก็ต้องแจกจ่ายออกไปไม่ใช่เก็บไว้เองในพระวิไนนะ์เข้มงวดมากเลยนะอย่าว่าแต่อย่างอื่นเลยแค่ผ้าจีวร น, นะเก็บไว้เกินยังไม่ได้เลยนะ เก็บไว้เกินเนะเรามีหนึ่งชุดแล้วอยากเก็บอีกชุดหนึ่งนะมัมีวิธีเรียกว่าวิกรับหมายถึงว่าต้องไปตกลงกับพระอื่นอันนี้เป็นของกลางนะเป็นของร่วมกันเป็นทรัพย์สินร่วมกันถ้าจำเป็นนะท่านจะมาเอาไปใช้ก็ได้นะคนรที่วิกรับกันไวนะ้ไม่ให้มีเยอะบาทเนี่ยพระวินัยก็กาหนดมีได้ลูกเดียวใช่หไหมคือท่านให้มากน้อยมีมากก็ให้นะเอาไว้น้อยนะสมัยพุทธกาลนะเคย มีพระเจ้าเพนดินงหนึ่งะนะพบว่ามีคนถวายทานรู้สึกมเหศีหรืออะไรเงี้ยจะถวายทานจีวรห้าชุดถวายไปกับพระานนท่านสงสัยพระานนท์ทำไมโลภมากเอาไปเยอะถามพระานนท์ว่าเอาไปทําอะไรท่านบอกท่านใช้ชุดเดียวที่เหลือเนี่ยแจกจ่ายกับสงฆ์ที่จีวรเก่าคลําคลามากจีวรเก่าจีวรเก่าแล้วบอกแล้วจีวรเก่าของพระองค์นั้ น, นเอาไปทําอะไร เอาไปให้กับแรกกับพระที่จีวรเก่าว่านั้นอีกนะเจอทั้งสุดท้ายนะเอาไปทำผ้าเช็ดพื้นเอาไปขยี้ปนกับดินเหนียวก่อผนังนะไม่มีทิ้งเลยในท่านมักน้อยท่านสันโดษนะเป็นตัวอย่างทามานะพระต้องมักน้อยคานะรวาสต้องสันโดษให้เยอะนะสันโดษหมายถึงว่าทำงานเต็มที่แล้วได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น ภ, ภูมิใจพอใจนะในผลที่เราทำเต็มที่แล้วนะ ยิ่งบอกอิมใจที่เราได้ทำมีความสุขที่ได้ทำไม่ใช่มีความสุขที่ว่าต้องได้ผลเยอะๆนะได้ผลมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรถ้าคารวาสนะแต่พระต้องมักน้อยหมายถึงมีมากก็ต้องเอาน้อยคนเสนออะไรให้อย่างคนมาปรนาอะไรต่ออะไรให้หลวงพ่อเยอะแยะนะหลวงพ่อไม่เคยเอาเลยนะปรนาบอกท่านอยากได้เงินเท่าไหร่บอกอยากได้อะไรบอกนะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนจะมายกที่ดินให้นะก็ไม่เอานะ ไม่รู้จะไปทําอะไรเพราะอะไรเพราะว่าพอแล้วนะมันมีมีใช้พอสมควรแล้วนะเงินที่จะใช้หมุนเวียนทำหนังสือแจกทำอะไรก็มีพอนะไม่ได้เดือดร้อนหรอกพวกเราได้หนังสือไปเยอะๆบางคนก็ให้เงินมาบ้างก็เก็บเก็บไว้นะงั้นไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรทํำบวชยังไม่เรียลลัยเลยเห็นไหมสร้างบวชนะเคยได้ยินไหมหลวงพ่อประโมทเรียลลัยไม่มีเลยนะเพราะอะไรไม่ใช่หน้าที่พระ การสร้างวัดเป็นหน้าที่ของโยมนะไม่ใช่หน้าที่ของพระนะสร้างวัดแล้วนี่มนต์พระมาอยู่ต่างหากล่ะนะอย่างอาณาถ้าพิมพ์ทีกาก็สร้างวัดใช่ไหมพุทธเจ้าสร้างซะที่ไหนล่ะนางวิสาขาก็สร้างวัดนะหมอชีวกโกมารพัฒก็สร้างวัดไม่มีพระไปสร้างวัดหรอกนะหรือพระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเนี่ยงั้นสร้างวัดไม่ใช่หน้าที่พระถ้าโยมเขาศรัทธาเขาเห็นว่าควรจะสร้างเขาก็สร้างนะ แล้วสร้างแล้วพระต้องคอยเบรกอย่าให้หรูหราเกินไปเอาพอดีพอดีอย่างเงี้ยถ้าพระมักน้อยสันโดษนะงานต่อไปของพระหรือนักปฏิบัติทั่วไปไม่คลุกคลีนะที่พลาดนะเพราะไม่มักน้อยเพราะไม่สันโดษเพราะคลุกคลีนะแม่คลุกคลีใกล้ชิดโยมใกล้ไปใกล้มาโยมเลยกว้ า, าไปนะหรือไม่ก็คว้าโยมออกไปนะเมื่อวานก็มีพระมานะ สอบธรรมทูตได้เลยมาถามหลวงพ่อถามมาหลายทีแล้วอยากเป็นธรรมทูตอยากเป็นอยากเป็นมากๆฟังแล้วเหมือนเป็นทูตนะฟังอยากไปอยู่ต่างประเทศมาถามทีไรหลวงพ่อบอกอย่าไปเลยพระธรรมทูตนะไปทีแรกก็ก็ดีนะส่วนหนึ่งก็ดีหรอกนะแต่ศึกเยอะนะอัตราที่ศึกเนี่ยเยอะสูงสูงมากเลย ไปเจอครูบาอจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังเนี่ยวัดท่านส่งไปเป็นธรรมทูตสี่องค์ตอนนี้ศึกไปแล้วสามอะไรเงี้ยนะเรื่องอะไรอะ่ะมันไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะไม่เหมาะเหมือนมเมล็ดพันธุ์ต้นไม้นะไปตกลงในพื้นที่ที่ไม่เหมาะจะงอกอะ่ะงอกยากนะแต่ถ้าองค์ไหนท่านเสียสละนะมีจิตใจอย่างพระโพธิสัตว์ท่านเสี่ยงเอาไปสู้ตายเอาก็นุโมทนากับท่านไม่ว่าหรอก แต่ถ้าลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อไม่อยากให้เป็นหรอกนะเพราะว่าอัตราศึกมันเยอะมันต้องคลุกคลีกับคนเป็นพระไปอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามนะต่างประเทศเนี่ยต้องพึ่งโยมมากเลยโยมใหญ่เพราะว่าบินธบาติไม่ได้อะโยมเป็นคนให้กินข้าวให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเมื่อนั้นโยมใหญ่กว่าพระนะโยมมันก็ล่างออกไปบางทนะีเราไม่คลุกคลีพระไปคลุกคลี มากนะท่านถือว่าประทุษร้ายตระกูลนะถือว่าไปประทุษล้ายโยมนะไม่ครุกคลีมากๆไม่ได้ต้องไม่ครุกคลีถ้าจะเป็นนักปฏิบัตินะเป็นโยมก็ต้องทำนะมักน้อยสันโดษไม่ครุกคลีปลารบความเพียรนะเจริญศีลสมาธิปัญญาไปเนะนี่ยงานที่ชาวพุทธต้องทำนะถ้าไม่ทำตามนี้ก็พลาดลส ไม่มากน้อยเห็นมมีสมบัติเยอะมีรถเยอะแยะเลยเงี้ยเอาไปทำอะไรคนจะถวายรถหลวงพาะตั้งหลายคันไม่เอานะเรามีอยู่คันหนึ่งก็พอใช้แล้วคือต้องไม่เบียดเบียนไม่ประทุสไลด์ญาติโยมนะเจอหน้าโยมก็อยากขอตังค์ประทูสลด์เขารับใช้เขารับใช้โยมนะก็ประตูสไลด์เขานะท่านถือว่าไม่ดีเลยพระไปรับใช้โยมไม่ได้ ให้รับใช้เดียวผูกพันกันเงินพวกเราเนี่ยเจอหลวงพ่อในห้องนี้สังเกตไหมแต่เจอตามที่เทศยกเว้นเจอตามข้างถนนนะอนั้นไม่รู้จะทํำยังไงไมันต้องเจอแต่ส่วนใหญ่ที่เจอหลวงพ่อเนี่ยเจอในศาลาศาล า, านี้ศาล า, า, า, า, าลุงชินเจอหอประชุมน้นห้องประชุมนี้อะเจออย่างนั้นนอกเวลาแล้วไม่เจอหรอกไม่คลุกคลีด้วยหรอกถ้เป็นนิสัยมาตั้งแต่เป็นโยมนะเป็นโยมเนี่ยพอหมดธุระ ที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นนะเข้าบ้านเข้าห้องทําความเพียรของเราไม่ยุ่งกับใครหรอกถ้าเหนื่อยมากๆทําความเพียรไม่ไหวนะซื้อกระตูนมานั่งอ่านนะให้ผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วก็ภาวนาต่อไปนะไม่ครุกคลีกับคนถ้าหลวพ่อครุกคลีกคนแล้วเสียหายได้เนี่ยถ้าพระนะถือหลักนะมากน้อยสันโดษไม่ครุกคลีปรารบความเพียรนะเจริญศีลสมาธิปัญญาไปเพราะไม่ค่อยพลาดหรอก ถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าไม่ทำตามที่พ่อแม่ครูอาจารย์สอนพุทธเจ้าสอนมานนก็พลาดไม่มักน้อยก็เสียหายนะเห็นไหมไม่สันโดษก็เสียหายคลุกคลีกับเขาสุดท้ายก็ไปรักเขาก็ได้นะคลุกคลีมากหรือไม่โยมมันก็เจ้าเล่ห์นะเห็นพระดังๆมีชื่อเสียงตะครุบเอาไว้หาผลประโยชน์ก็ได้นะทำได้หลายแบบแล้วพวกเราถึงเป็นฆราวาสก็ใช้หลักเดียวกันนะ ถ้าเราอยากได้พ้นความพ้นทุกข์ในชีวิตนี้นะมักน้อยสันโดษไม่คลุกครีปรารบความเพียรไม่ใช่แต่ปรารบเรื่องโลกโลกส่วนใหญ่มันจะปรารบแต่เรื่องโลกโลกนะหมกมุ่นเป็นเรื่องโลกให้ปรารบความเพียรคอยคิดถึงว่าเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้ให้ตั้งออกตั้งใจภาวนาเขาจะภาวนาก็ถือศีลตั้งใจรักษาศีลเบื้องต้นก็ตั้งใจไว้ก่อนเบื้องปลายก็ศีลอัตโนมัติเกิดเพราะอาศัยสติรู้ทันกิเลส ที่เกิดกับจิตกิเลสดับศีลก็เกิดนะอาศัยสติคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปก็ได้สมาธิขึ้นมาได้สมาธิอัตโนมัติศีลก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติแล้วพอจิตตั้งมั่นแล้วก็ดูกายดูใจมันทำงานจนเห็นมันเกิดดับโดยที่ไม่ได้เจตนาจะเห็นนีกว่าเจริญปัญญาอัตโนมัติถ้าได้สติศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัตินะโอกาสจะได้มากได้ผลก็มี ถ้าศีลกับร่องกัแกลงสมาธิมีบ้างไม่มีบ้างปัญญาไม่ค่อยเดินไม่แยกธาตุแยกขันปัญญาเนี่ยจุดเริ่มต้นของการเดินปัญญาคือการแยกธาตุแยกขันนะแยกเป็นส่วนๆถ้าแยกไม่เป็นเดินปัญญาไม่ได้จำไว้เลยนะทําวิปัสสนาไม่ได้ต้องแยกธาตุแยกขันไปแยกเป็นส่วนๆเห็นสภาวะธรรมแต่ละอันแต่ละอันความโลภก็อันหนึ่งความโกรธก็อันหนึ่งความหลงก็อันหนึ่งฟุ้งซ่านก็อันหนึ่งหดหู่ก็อันหนึง่งดีใจเสียใจ นะความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยก็อันนึงนะร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมกคนละอันคนละอันนะจิตก็เป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งนะเป็นสภาวะธรรมอีกอันหนึ่งเนี่ยพอแยกแยกแยกขันออกไปกระจายตัวออกไปนะจะเพราะว่าไม่มีเราความโกรธไม่ใช่เราความโลภไม่ใช่เราความหลงไม่ใช่เราฟุ้งซ่านผดหู่ไม่ใช่เราความสุขไม่ใช่เราความทุกข์ไม่ใช่เรานะร่างกายก็ไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุ เป็นก้อนธาตุธาตุดินธาต้น้ําธาตุไฟธาตุลมไม่ใช่เราใครเห็นดินเป็นเราบ้างหรือใครเห็นน้ําเป็นเราบ้างไม่มีหรอกแต่พอดินน้ําไฟลมมารวมกันนะสัญญาเข้าไปหมายหมายผิดๆว่าเป็นเราขึ้นมาเท่านั้นเองงั้นจะเดินปัญญานั้นแยกขันออกไปค่อยๆแยกเป็นส่วนๆจะแยกขันได้จิตต้องตั้งมั่นจิตใจเท่า อ, อยู่กับเนื้อ ก, กับตัวแล้วเห็นกายเห็นใจมันทํางานไปเรื่อยๆนะขันนั้นค่อยๆแยก ถ้ามันไม่แยกจริงๆก็ช่วยมันคิดพิจารณานะว่าร่างกายนี้มันกําลังหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูอย่างนี้ก็ได้ร่างกายกําลังนั่งอยู่ใจเราเป็นคนดูนะค่อยๆ ค, คิดคิดสอนสอนมันไปเรื่อยสุดท้ายใจที่เป็นตัวรู้มันจะแยกออกมานะแยกกับกายออกเหมือนที่มีช่องว่างบางคั้นกระทั่งจิตต่อจิตนะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไฟมีช่องว่างเล็กๆมากคั้นระหว่างจิตจนะเห็นอย่างนั้นเรียกว่าสันติขาดแล้ว ใกล้ต่อมักผลแล้วใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ยากนะไม่ยากหรอกฟังแล้วเหมือนยากที่ฟังแล้วเยอะแยะเพราะหลวงพ่อแจกแจงให้ฟังนะถ้าสอนแบบครูบาอาจารย์แต่ก่อนพวกเราไม่ทําหรอกขี้เกียจจะตายไปไม่ค่อยยอมช่วยตัวเองนะต้องเคยเห็นคนโบราณเลี้ยงเด็กไหมเอากล้วยมาขูดขูดนะป้อนหลงพ่อเนี่ยขูดกล้วยป้อนอยู่ทุกวันเลยนะ <c oughs> พยายามกินเท่านะเนี่ยได้โตเร็วๆ <c oughs> พยายามเข้าถ้าเรียนกับครูบาอจารย์แต่ก่อนนะท่านบอกคำเดียวแล้วทำไม่ทำเรื่องแกแล้วถ้าไม่ทำแล้วอย่างมากท่านก็ด่ากว่าจะเข้าใจที่ท่านบอกแต่ละบทแต่ละบาทนะั้นไม่ใช่ง่ายๆนยบางเรื่องนั้นใช้เวลานั้งยี่สกว่าปีกว่าจะเข้าใจเอาใครจะส่งกันบ้านเชิญนักปัสการครับผมปฏิบัติเมื่อวานรู้สึกว่าค่อนข้าง โมหะเยอะใจฟุงฟ้งจิตมันฟุงนฟ้งสั้นฟุ้งสั้นทําไงก็ให้รู้ว่าใช่พระเจ้าสอนนะดูกราพิกสูทั้งหลายจิตฟุ้งสั้นให้รู้ว่าฟุ้งซั้นให้เห็นเลยจิตเป็นคนดูจิตไม่เคยฟุ้งเลยจิตเป็นคนดูความฟุ้งสั้นมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกเข้ามาในจิตนะค่อยๆหัดดูไปงั้นหัดแยกขันไปเลยนะเดี๋ยวพอแยกได้จิตกะตั้งมั่นได้ไปทําไป มนมาส ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่อก็มีความทุกข์มากมีสติน้อยทุกกายทุกใจล่ะทุกใจคะ่ะทุกใจทุกใจแก้ด้วยธรรมะทุกกายก็ไปหามหมอ แ, แล้วไงอะ่ะก็ก็มไม่มีคิดเลยว่ามันจะมีความสุขไม่ไม่คิดคะ่นะตอนนี้ไม่คิดแล้วมันยังอยากได้ความสุขอยู่มันเกลียดความทุกข์อยู่นะ ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางปัญหาของหนูเหลืออันเดียวแลว้ให้รู้ตรงที่มันไม่เป็นกลางไหมก็แต่มันก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนความสุขเป็นสิ่งที่ไม่หลอกใจมันยังหิวสุกอยู่ยังไม่กลางจริงหรอกนะหนูไปดูเข้าไปแล้วเวลาแล้วตอนเนี้ค่ะสถนานการณ์แบบว่าหมายถึงว่าเวลาเราต้องไปเจอกับโลกโลกของจริงอะคะ่ะอื ม, อมประมาณนั้นธรรมะก็ของจริงนะจริงกว่าของโลกอีก เราไปเจอโลกเราฝันอยู่นะมันเหมือนเราฝันอยู่โลกนะเหมือนความฝันไปเจอกับมันเราอย่าไปจริงกับมันเพื่อก็อย่างเดียวก็หมดเรื่องนะเราอยู่กับมันชั่วคราวเท่านั้นเองจะจริงจังอะไรกับมันนักหนาเนะี่ยมันแค่มากระทบมันก็แค่ผัดสะโลกมันก็แค่ผัดสะเท่านะั้นอะไรเป็นโลกล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นโลกรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรมารมเป็นโลกก็แค่นั้นแหละนะ นี่หนูอย่าไปคลุกกระโลกนะค่อยรู้ทันมันไปความทุกข์นะหลวงพ่อจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งความทุกข์เนี่ยมันไม่ดีเลยตอนที่มันกําลังมีอยู่แต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยความทุกข์นี่แหละจะเพิ่มพลังให้เราเวลาเรามีความสุขเรามากักจะเพลิเลินนะโดนมัสการครับผมห่างวัดไป2อปีครับรู้สึกโดนกิเลสเล่นงานเยอะเลยครับ ที่เห็นตอนนั้นมีมีมานะครับกูเก่งบ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะกูกไม่เก่งครับโดนโดนคือช่างเปรียบเทียบนะฮะแล้วก็โทษว่าตัวเองเยอะฮะแล้วก็เท่าที่เห็นมีเรื่องกุดกุจักนะครับ<ม> ก, ก็รู้สึกมีความโกรธความโทษว่าตัวเองเยอะแต่นี้เนี่ยมาเข้าคอร์สเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเมื่อวานแล้วก็ก็รู้สึกว่าเริ่มคลายลงครับรู้สึกว่า ถ้าทางจะต้องเข้าวัดให้บ่อยๆนะครับเขาไม่ได้ห้ามนะแต่ก็เลือกเข้าก็แล้วกันเข้าวัดบางที่ก็แย่มันก็เลย <c oughs> ใจฟุ้งสั้นนะใจมันฟุ้งไปทำในรูปแบบทุกวันนะทำให้สม่ำเสมอให้มีวินัยในการปฏิบัตินะ <c oughs> ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ <c oughs> เห็นขันแยกไหมนี่แหละดี แยกขันได้ก็เดินปัญญาได้เดินปัญญาได้ก็มีโอกาสได้มรรคได้ผลกลาบหลวงพ่อครับอืช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าจิตมันเป็นกลางในการดูสภาวธรรมมากขึ้นนะะนั่นแหละมันดีขึ้นเยอะแล้วแล้วก็รู้สึกว่ากําลังยังอ่อนอยู่แต่ว่าฟังหลวงพ่อเมื่อเช้าก็รู้สึกว่ากําลังดีขึ้นมาอมก็ขอคําแนะนําหลวงพ่อครับพวกดาวพระเคราะห์นะเข้าใกล้ดาวฤกิกเลยสว่าง กำลังของเราเองไม่มีมาใกล้ครูบาอาจารย์ก็มีแรงขึ้นมาธรรมดาเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทําอย่างนั้นล่ะทุกเดือนนั้นไปหาครูบาอาจารย์ทิงเร้สามเดือนสี่เดือนมีวันลายเยอะๆก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลๆหน่อยไปหาแต่ละครั้งก็ได้แรงมาอาทิตย์หนึ่งนะอยู่ได้อาทิตย์เดียวก็แรงก็หมดแล้แรงหมดก็ทําในรูปแบบไม่ยอมท้อถอยต่อไปแรงเราก็มากขึ้นมากขึ้นพึ่งตัวเองได้ ขอบค<ข>ุณหลวงพ่อครับเห็นขันมันแยกไหมเห็นบ้างอะครับเออขันแยกเป็นแนละดี <c oughs> เมื่อก่อนนะอย่าว่าแต่คนแยกขันได้เลยนะสมัยสาสิปีก่อนเนี่ยแค่คนรู้สึกตัวได้อย่างแทบไม่มีเลยมีแต่ครูบาอาจารย์รุ่นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคนรู้สึกตัวได้แทบไม่มีเลยทุกวันนี้ถ้าแค่รู้สึกตัวหลวงพ่อไม่ชมละต้องแยกขันได้รู้สึกตัวได้ก็คือได้สมาธิแล้ว ถ้า แ, แยกขันได้ก็เดินปัญญาดได้ทุกวันนี้คนที่แยกขันได้นี่นับจำนวนไม่ถูกเลยย่อมแย่ไปหมดเลยคนฟังซีดีก็อยู่เมืองนอกก็มีนะแยกออกมาได้เยอะแยะเลยไปฟังซีดีนะ <c oughs> ก็ดูของจริงไปเรื่อยอ้าว<อ>ต่อไปมาสการหลวงพ่อครั บ, รบมาเข้าคลอดครั้งแรกแล้วก็ส่งกันบ้านครั้งแรกครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่คิดมากครับ พิตกเยอะแล้วก็ครั้งนี้ที่จะส่งการบ้านครั้งแรกนี่ก็คิดวนหลายรอบแล้วครับว่าจะส่งยังไงครับทีใจ <ะ S 1> ขนาดนี้เป็นธรรมดาไหมไม่ค่อยธรรมดาครับมีตื่นเต้นด้วย เ, ออนะเกรงเกรงด้วยตื่นเต้นไม่เป็นไรจิตมันตื่นเต้นเกรงเนี่ยเพราะเราเข้าไปแทรกแสงเราไม่อยากให้ตื่นเต้นนะก็เกิดการแทรกแสงขึ้นมาถ้าคิดว่าตื่นเต้นก็ได้นะจะไม่เดือดร้อนเลย ทีี่่่ผาานมามอยูสังเกตไหมเวลาใจไหลไปคิดรู้ทันไหมรู้ทันอยู่ค ร, รบับนะตัวเนี้ยฝึกให้มากไม่ห้ามนะแต่ใจไหลไปคิดให้รู้บ่อยๆนะรู้บ่อยๆพอมันคิดไปอยากคิดก็ไม่ว่าหรอกแค่รู้ถ้ารู้ไม่ทันนะ่นก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วนะก็รู้ตรงที่ไหลไปไม่ทันก็รู้ตรงที่สุขทุกข์ดีชั่วสุขทุกข์ดีชั่ ว, ว, วยังรู้ไม่ทันอีกก็รู้ตรงที่ยินดียินร้ายต่อความสุขความทุกข์ความดีความชั่วนั้น ตรงไหนก็ได้เอาสักที่หนึ่งครับอ๋มีไปปฏิบัติแนวเวทนานุปัสสนาด้วยครับเ<อ>วทนาต้องทําสมาธิเยอะๆะครับนะก็รู้สึกว่ามันทําไปสมไปปฏิบัติ3าครั้งรู้สึกว่าครั้งตอนปัจจุบันเนี่ยรู้สึกเวลาทำเนี่ยจะแน่นนะครับหนักก็เป็นเหมือน<ป>คล้ายๆตัวเองม<ป>ี เ, เ, เกราะครับเออนะไปเลิกซะอย่าไปทําจิตที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ทื่อเป็นอกุศลจิตนะ มันทำด้วยโลภะโลภะแล้วก็เลยไปคมมันกลายเป็นโทสะอึดอัด ใ, ให้รู้เอาถ้าจะเตนเวทนานุปัสสนานะทำสมาธิเยอะๆจนจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วแยกขันไปกายอยู่ส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตต้องแยกอย่างนี้นะถ้าไม่แยกอย่างนี้ไม่ใช่หรอกครับประคุณครับกรรมนมัสการหลวงพ่อค่ะ กเราเียแถลงข่าวก่อนฝนตกแล้วที่นี่นะมีธรรมเนียมฝนตกแล้วฟ้าผ่าไฟดับนะเป็นเรื่องปกตินะอ้างว่ามาก่อนที่ไฟจะดับไม่มีเสียงตอนตอนที่เราฝึกภาวนาเนี่ยนะคะก็จะได้ยินคำหนึ่งของหลวงพ่อท네ี่จะเทพแบบว่าให้เรารู้อริยศาสตร์ตอนนี้เนี่ยก็สงสัยว่าอริยศาสตร์มีสตัวมีทุกสมุทัยนิโรธมรร ทุกการสมุดไทยเนี่ยพอจะเข้าใจได้ว่ารู้รู้ทุกละละทุกข์สมุดไทยแต่พอนิโรด ก, กับมาร์กเนี่ยถามว่าเข้าใจไหมก็ยังไม่เข้าใจก็พยายามที่จะถามคนคนอื่นว่าเอ๊มาร์กเนี่ยมันคืออะไรเพราะไม่งั้นมันจะไม่เป็นทางเดินให้เราก็ไปเจอมีคนบอกว่าก็ให้ใช้มาร์กแซึ่งเราก็คิดว่าเอ๊มันอาจจะใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันชื่อจะคล้องกันก็ไปเจอไปไปดูหนังสืออยู่เล่มหนึง่งแต่นี้ก็จะเขียนเรื่องมาร์กแ ก็เห็นว่าเออมักแปเนี่ยมันจะมีในในนั้นน่ะจะมีอยู่8ข้อมี3ข้อซึ่งเป็นศี่ซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงพ่อสอนว่าต้องมีสีอยู่ในตัวก็พยายามที่จะมาจับตรงนี้เพราะมันจะเข้าใจง่ายที่สุดก็พยายามทำสี่ส็นะาาสสมสี่ห้าม่มีหอในะ สัมมาวายามะความเพียรชอบอะไรก็ไม่มีหรอกไม่เหลือเลยน ะ, จะเจริญสติให้มากไว้นะะเจริญสติอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละรู้ทันกิเลสนะศีลมันก็เกิดเองน ะ, จะเจริญสติอยู่นะจิตเคลือ่อนไปรู้สมาธิก็เกิดนะเจริญสติอยู่เห็นกายเห็นใจมันทํางานใจเป็นมีสมาธิเป็นคนดูปัญญามันก็เกิดน ะ, ะเพราะฉะนั้ น, น, นมีมีสติเอาไว้นั่นแหละนะ จุดรวบยอดมันอยู่ที่การเจริญสตินะท่านถึงเลยบอกสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเอกทางสายเดี่ยวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะอย่าครอบคลุมมรรคแปไว้แล้วอย่าไปคิดเรื่องปฏิบัติมรรคแเป็นข้อๆมรรคมีหนึ่งเท่านั้นมรรคไม่ได้มี8นะมรรคมีอันเดียวคือมรรคนะแต่มรรคมีองค์ประกอบ8อย่างนะอย่าไปทําว่าวันนี้ทําสัมมาทิฏฐิวันนี้ทําสัมมาสังกัปปะอะไรอันั้นทําไม่เป็นหรอกนะ จเจรสติจเจริญปัญญาเนี่ยไปเรื่อยนะพอมากมากเข้าเนี่ยจิตมันรวมลงเป็นหนึ่งนะอธิยามากมีองค์แปดเนี่ยรวมลงที่เดียวที่จิตนะด้วยอํานาจของสัมมาสมาธิสัมมาส ม, มาธิตั้งอยู่ที่จิตนะองค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือเนี่ยประชุมลงที่จิตก็นะจะเกิดเป็นพลังที่มหาศาลเกิดพร้อมกันในขณะเดียวกันเลยไม่ใช่วันละมรรควันละมรรคนะอย่างนั้นเรียกมรรคมรรคมรรคมีหนึ่งไม่ได้มีแปดถ้าคิดว่ามรรคมีแปดไม่รู้จะทํำยังไง วัฒนีนะคะพอดีเมื่อวานเนี่ยก็เข้าคอร์สอยู่ในคอร์สเนี่ยระหว่างที่นั่งฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะก็จะรู้สึกหลงก็รู้หลงก็รู้ก็พยายามพยายามจะรู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับบางครั้งเนี่ยรู้ปุ๊บมันมันปวดหัวแล้วก็มาหนักๆก็กลับมานึกถึงคําของหลวงพ่อที่เคยสอนมาว่าถ้าปวดหัวหรือว่ารู้ว่าหนักเนี่ยแสดงว่ามันไปเพ่ ง, พงแต่แต่ถามว่าตัวเองรู้ไหมว่าเพ่งไม่รู้สังเกตออกไหมว่าจิตขนาดนี้กับจิต ตอนเป็นเด็กๆะไม่เหมือนกันเห็นไหมว่ามันต่างกันนะตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมาสของนักปฏิบัติเราก็เลยไปสร้างของปลอมขึ้นมาเราไม่ได้สร้างอะไรนะเรารู้ตามที่มันเป็นแต่ตอนนี้เราเคยชินที่จะสร้างแล้วล่ะนะก็เลยพอตอน ส, สายๆก็เริ่มแบบเหมือนกับว่าพยายามจะผ่อนเชือกตรงนี้ลงให้มัน ให้พอพอล้วนปลดหัวหรือว่าเพ่งปุ๊บเนี้ยก็จะผ่อนเชือกให้มันเบาขึ้นแล้วก็พอหลังทานข้าวเสร็จก็ลองไปนั่งสมาธินิ่งๆดูสักพักหนึ่งก็ก็รู้สึกว่ามันมันมันก็เริ่มมันมันเหมือนกับว่าจิตมันเริ่มนิ่ง ๆ, ๆคือพอพอหลงแล้วรู้มันก็กลับมาอยู่กับตัวเองได้มันมก็ไม่ไม่อึดอัดเท่าไหร่ที่ว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวเหมือนตอนนี้ไหมสภาวะที่กําลังเป็นอยู่ขนาดนี้เป็นเรื่องปกติของเราไหม มันรู้บ้าง ม, มันมันก็มีหลงหลงสังเกต ไ, <ป S 1> ไหมว่ามันนิ่งนิ่งมันมีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งนะรับใจที่มีตัวนิ่งอยู่เนี่ยแสดงว่ายังเพ่งอยูนะ่ยังไม่ได้ปล่อยจริงเพราะฉะนั้นมันจะแทรกแซงนะจะนิ่งนิ่งซึมซึมนิ่งนิ่งแข็งแข็งอย่างนี้แหละนะปล่อยซะคิดถึงสมัยที่ยังภาวนาไม่เป็นอ น, นั้นแหละดีที่สุดเลยสมัยภาวนาไม่เป็นนะอย่างตอนเด็กๆเนะี่ย ผู้ใหญ่เอาของเล่นให้ก็ดีใจถูกดูก็เสียใจนะใจแปลงขึ้นแปลงลงตามธรรมชาติไม่มีตัวที่ไปควบคุมมันตอนนี้มันมีผู้ควบคุมอยู่ตั ว, ตวนี้ข้ามทิ้งซะอย่าไปรักษามันไว้แต่ถ้าเผลอไปรักษาก็ให้รู้ว่าเผล อ, ใ, อใช่ป่ะใช่ใช่รักษาอยู่ให้รู้ว่ารักษานะรักษาอยู่ก็เป็นภาระอยู่เป็นแน่นจะไม่เดินปัญญาหรอกขอบคุณค่ะ นมสัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือได้ปฏิบัติมาสักพักหนึ่งก็มีข้อนึ่งค่ะที่ตัวเองจะไม่รู้ว่าวิหารธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของตัวเองคืออะไรช่างคิดนะช่างคิดอนะดูจิตไปดูจิตไปเรื่อยๆอนะคะคือตอนที่ที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้นี่ใชพอ ไ, ได้แล้วหรือเปล่าเออพอได้แล้วแต่ว่ามันเผลอเยอะมากเลยนะคะเออมื่อวานฟังซีดีหลวงพ่อเผลอทุก ป, ประโยคเลยคะ่ะนั่นแหละตอนนาเก่ง ที่หลวงพ่อบอกไงคนภาวนาไม่เป็นเผลอวันละครั้ง<ม>ตั้งแต่ตื่นจนหลับคนพาวนาเก่งนะ<ม>แวบแวบแวบแวบรู้สึกไปเรื่อยเผอจนเผลอจนแบบเออเผอจนนับนไม่ไหวแต่ถ้ามันเผอแวบแวบแวบแวบจนเวียนหัวนะก็ทําความสงบบ้างส่วนมนต์ไหว้พระพุทโธพุทโธไปนะให้ใจสงบบ้างแล้วไหลแวบแวบวบตลอดแล้วเวียนหัวแล้วก็ขอขมาหลวงพ่อด้วยนะคะ ให้ทุกคนเลยนะไม่ต้องขอรายคนนะสำหรับนมันส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งเข้าคอร์สครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันค่ะแล้วก็หลังจากที่ปฏิบัติไปแล้วก็มีคำถามว่าบางครั้งเนี่ยในการนั่งสมาธิเนี่ยเวลาเราหลับตาลงกายเราก็ไม่ได้ขยับขยื่นอะไรสิ่งที่เรารับรู้คือมีเพียงลมหายใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ แล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆจนกว่าที่มันจะมีอะไรแวบขึ้นมาอย่างเช่นความคิดหนูก็ไปดูว่าอ้าวหนูคิดนะ <Yeah. S 1> แล้วหนูก็ปล่อยแนละ้วหนูก็กลับมาดูลมหายใจ <Yeah. S 1> อีกทีหนึงถูกต้องหรือเปล่าคะถูกเบื้องต้นหนูฝึกอย่างนั้นแหละดี <c oughs> เพราะโดยพื้นฐานหนูฟุ้งเก่งมากเลยนะ <c oughs> ยังเป็นคนฟุ้งถ้านะหายใจไปแล้วจิตฟุ้งไปเรารู้องั้นแหละดีแล้วค่ะแต่ในบางครั้งอย่าอยากสงบนะค่ะเขาสงบของเขาเองถ้าอยากแล้ไม่สงบหนู แต่ในบางครั้งอะคะ่ะเมื่อหลับตาลงมันมีสองสิ่งที่หนูรู้สึกก็คือลมหายใจกับใจที่มันเหมือนมีอะไรพูดอยู่ในใจออหนูคิดว่าหนูต้องทำให้ใจหนูสงบไหมนี่คือถ้าเห็นความไหวไวภายในได้นะโดยที่ใจเป็นคนดูสบายๆก็ดูที่มันไหววไปเลยแต่ถ้าเห็นไหวไวแล้วใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะก็รู้ลมหายใจไว้อ๋อเจ้าค่ะงั้นขออีกคำถามหนึงคะ่ะ ถ้าหนูฝึกการเจริญสติแบบในชีวิตประจําวันก็คือไม่ว่าจะเดินนั่งนอนหนูรู้ว่าหนูทําอะไรมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเข้ามาแต่เราอาจจะขาดในเรื่องของการนั่งสมาธิไปมันจะเป็นผลเสียในการที่เราจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของเป็นผลเสียระยะยาวนะเป็นผลเสียมันจะไม่มีแรงไม่มีกําลังจิตจะไม่ถึงฐานนวิปสัสสนาลมจะแทรกง่ายอ๋อค่ะเพราะงั้นซ้อมทุกวันเลยถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิสงบก็ทําให้สงบก็ทําำคอยรู้ทันจิตไปหายใจไปรู้ทันจิตไปเรื่อยเนี่ยก็ได้พลังขึ้นมาค่ะถ้าพลังไม่พอนะเดินต่อไม่ได้จริงหรอกค่ะกาขอบพอระคุณเจ้าค่ะคือวันเนี้ทา่าสามีของโยมะค่ะเขามีปัญหาเรื่องของการปฏิบตัติมาถามหลวงพ่อพอดีว่าสามีของโยมเนี่ยเขานั่ง สมาธิกำหนดดูลมหายใจจนเห็นตัวเองแยกออกมาเป็นสองค่ะก็เริ่มมาเจริญสติัญเจริญปัญญาด้วยการดูกายทํางานบ้านอะไรก็มีสติรู้สึกตัวเดือนจงกรมก็มีสติรู้ตัวอตอนแรกๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นกิเลสฟุ้งมากมากจนกลัวตัวเองว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยสงบพอมาฟุ้งมากๆเนี่ยตอนแรกเขากลัวว่าเขาจะทําผิดโยงก็เลยบอกว่ า, วาให้ทําต่อไปทําต่อไปจนตอนหลังเนี่ยจากฟุ้งเนี่ยก็กลายมาเป็นสงบอื พอมาเป็นสงบเนี่ยกลายเป็นว่าทําเจริญสติก็เข้าสมาธิเองทําอะไรเนี่ยจิตมันก็เข้าสมาธิแล้วก็เวลากําหนดลมหายใจดูลมหายใจเนี่ยก็แน่นขึ้นเขาเขาเลยแบบมีความรู้สึกแปลกใจว่าทําไมเขาเจริญสติกับได้สมาธิเวลาเ <ๆ S 1> จริญสตินะดูจิตดูใจเนี่ยมันจะได้สมาธิอัตโนมัตินะส่วนใหญ่ที่ว่าไปดูจิตดูจิตนะกลายเป็นสมถะ นอกจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตอย่างเป็นวิปัสสนาซึ่งมันจะเป็นช่วงสั้นๆเทนะ้เวลาส่วนใหญ่ที่เราว่าเราดูจิตดูจิตนะส่วนใหญ่จะจิตมันเป็นสมถะไปจ้องตัวจิตอยู่ถ้าจิตไปจ้องอยู่ที่ตัวจิตแล้วไปจับเอาความว่างๆอยู่กลายเป็นสมถะไปเลยหลุงพ่อครัถามอีกนิดนึงเวลาเขาเกิดกิเลสเยอะๆบางทีเขาห่างมุมเอาสมาธิข่มไปเลยอย่างเนี้ยมันก็ได้ชั่วคราวนะศีลก็ไปขม่มกิลเลนได้สมาธิก็ข่มได้นะ จะเจริญปัญญาต่อไปเนี่ยเจริญปัญญาเราเล่นตอนกิเลสไม่แรงมากแรงมากเจริญปัญญาไม่ทันเดี๋ยวไปเชืออไขเขาก่อนถ้ากิเลสมานะพอดูได้ก็ดูไปสู้ไม่ไหวจริงๆก็ใช้เครื่องมือตัวอื่นนะเครื่องมือในการสู้กิเลสมีศีลสมาธิปัญญากิเลสแรงมากๆก็ขุมใจไว้ยังไงก็ไม่ผิดศีลใช้ศีลสู้นะหรือเดินหนีไปเลยนะหลบอารมณ์ไปซะก่อนน หรือว่ามันทนไม่ไหวจริงนะเข้าสมาธิก่อนออกจากสมาธิแล้วมาสู้ใหม่ถ้ากิเลสแรงมากๆนะถ้ากิเลสเลส็กกิเลสน้อยดูมันทํางานไปอย่าไปห น, นี้มันแล้วอย่างที่เวลาเขาไปเจอจิตฟุ้งๆเนี่ยเวลาเขาไปชนกับกิเลสเลยเนี่ยมันบูบหายไปเลยอย่างเงี้ยหรือว่ามันหนีไปกิเลสนีแล้วนะจิตหนึ่งสี่นีจิตหนีแล้วเราหนีเข้ า, เขาหาความสงบหนีเข้าหาความสงบ ให้รู้ทันมันรู้ทันมันรู้ทันมันไปเรืยจิตเข้าสมาธิรู้ว่าเข้าสมาธิใช่จิตนิ่งรู้ว่านิ่ ง, งจิตซึมรู้ว่าซึมนะรู้ไปติดเพ่งไม่รู้ว่าเพ่งใช่ให้รู้ทั น, นออเอาแล้วสังเกตให้ดีตอนตื่นนอนมานะพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บนะจิตมันจะเคลื่อนเข้าไปช่องเดิมที่เคยชินที่ไปติดเพ่งอะ่ะงั้นตอนตื่นนอนนะให้คอยสังเกตจิต ว่าจิตมันขยับเขยืขย้อนยังไงให้รู้ทันมันตอนนั้นแหละเนี่ยตอนหลังมันจะไม่ติดไปทําตอนตื่นนอนนะตื่นปุ๊บรู้ทันจิตไว้เลยน้อมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกเดินทางมาจากเยสุทอน่ะเจ้าค่ะก็ปฏิบัติก็เห็นเห็นลมหายใจเห็นกายบางครั้งก็เห็นจิตตัวเองที่มันเคลื่อนอบางครั้งก็เห็ น, หนจิตตัวเองที่มัน ไปเพ่งอยู่ที่ลมเออทีให้รู้อย่างนั้นแหละจ้าค่ะรู้ทานมันไปเรื่อยๆนะอย่าให้จิตมันไปติดซึมๆนิ่งๆเฉยๆนะจ้าค่ะให้รู้เอาเจ้าค่ะอยางที่หลวงพ่อบอกบางครั้งมันก็มีธรรมะอผุดขึ้นมาอย่าไปเชื่อมันเจ้าค่ะนะมารมันหลอกเราได้เยอะแยะเลยเราแค่รู้แค่เห็นจ้าค่ะแค่เห็นว่าจิตมันปรุงธรรมะขึ้นมาได้เจ้าค่ะ ไปเชื่อมันไม่ได้นะเนี่ยมันหลอกเราเจ้าค่ะอย่าให้ติดนิ่งนะเจ้าค่ะกราบนศกหลงพ่อครับ เ, เป็นครั้งแรกที่ได้มากราบหลวงพ่อนะครับก็ฝึกปฏิบัติมาบ้างครับทีนี้ก็มีคำถามอยู่ว่าเวลาที่กิเลสมันเกิดขึ้นในครั้งแรกเรารู้ทันมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดับไปนะครับมันก็ ปรุงแต่งไปเรื่อยเราที่เราหยุดยัง้งมันไม่ได้ออย่างเนี้ยครับเราจะจัดการหรือว่าจะทํายังไงต่อครับหลวงพอ่อเราไม่ได้ดูกิเลสเพื่อจะละกิเลสนะเรากิเลสเนี่ยอยู่ในสังขารขันจะเป็นตะกูลที่จัดเรื่อยอยู่ในกองทุกข์ให้รู้มันนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้ก็จะเห็นเลยมันเป็นแค่สภาวะธรรมที่ผ่านเข้ามาเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านจิตเป็นแค่คนดูนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันจะสอนธรรมะเรา นะโลภเกิดขึ้นโลภก็ดับไปโกรธเกิดโกรธ ก, ก็ดับนะแล้วบังคับไม่ได้ดูซ้ําแล้วซ้ำอีกในสุดจิตเ้าเกิดปัญญ า, าสภาวะธรรมทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัตินะไม่ได้ไปสู้กับกิเลสหรอกแต่ว่าไปรู้มันก็เห็นว่ามันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นั่นแหละ กิเลสตัวนั้นมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอกุศลในใจอย่างเงี้ย น, นะครับตรงรที่เรารกิเลสเกิดนะจิตเป็นอกุศลตรงที่มีสติรู้ว่ากิเลสเกิดจิตเป็นกุศล น, นะถึงถึงมันจะไม่ดับไปก็ไม่เป็นไรนะถึงว่าถ้าถ้าสติตัวแท้เกิดเนี้ยจะดับทันทีน ะ, สะแสดงว่าตัวนั้นมันต้องมีกิเลสอื่นแทรกเข้ามาอีกเช่นความไม่ชอบกิเลสตัวนี้มีกิเลสตัวนี้เกิดขึ้นสติไปรู้ทันแลกเกลยียดเหมัน มัเอากิเลสซ้อนเข้าไปอีกตวงเนเลยไม่ดับใจไม่เป็นกลางนะถ้าสติตัวแท้เกิดนะระลึกปั๊บขาดปั๊บระลึกปั๊บขาดปั๊บเลยแล้วอย่างผมนี้จะต้องไปฝึกตัวไหนครับหลวงพ่อถึงจะได้ที่ฝึกเราใช่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ตอนเนี้จิตไม่เข้าบ้านแล้วนั่นแหละรู้ไหมรู้ครับเออไม่มีปัญหาหรอกทําเป็นอยู่แล้วขันก็แยกอยไปกลัวอะไรครับนะ อย่าคิดมากไปทําไปอคขอบพระคุณครับทําได้ดีอย่าไปกังวลมันกังวลให้รู้ว่ากังวลไปเลยะมันหลอกเราเท่านั้ น, นะกิเลสตัวนี้ชื่อกุกกุจจะเป็นความลคาคัญใจมาสักการหลวงพ่อเจ้าค่ะมาเข้าคอร์สเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ส่งกันบ้านครั้งแรกอติด เพ่งค่ะแล้วก็ชอบอยู่ตรงว่างๆสว่างๆเออนะอย่าไปเอามันก็พยายามฝึกให้รู้ทันว่าเผลอไปเพ่งแล้วออแล้วก็ขยับกายเยอะๆเออนั่นแหละถูกแล้วเรา <ทำ S 2> ต้องอีกค่ะฝึกอีกนะเจ้าค่ะถ้ารู้ทันแล้วไม่เป็นปัญหานะรู้ไม่ทันแล้วก็ตายไ ป, ไปเป็นพระปลอมค่ะนะถ้าตายในฌานก็เป็นพรอมนะพี่เลี้ยงบอกว่าให้กลับไป สวดมนต์ค่ะแล้วก็ฝึกดูว่าเผลอให้ชินค่ะนั่นแหละเขาจะให้จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาไปนะ<ะ>ทำไปกล่าวนมาสการหลวงพ่อค่ะคราวที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อก็มันมันเบื่อครั้งนี้มันเบื่ อ, อยิง่งกว่าเดิมค่ะไปทำกังวลอะไรนะเห็นไหมกายกับใจคนณละอัน เห็นค่ะเออนะเห็นไมมกิเลสกก่ใจเขาโคด้านก็เห็นค่ะนะมันแยกขันเป็นแล้วแยกขันเป็นแล้วดูมันทำงานไปได้ยแต่ว่าพอเผลอๆมันก็กลายเป็นเราถ้ามีสติมีปัญญาให้นมาก็เหลือแต่สภาวะไม่มีเร า, าดูไปบ่อยๆสุดท้ายปัญญามันเกิดตัวเราไม่มีหรอกที่ทำอยู่ใช้ได้นะจริงแต่ว่าจิตมันเศร้าหมองโทสะมันแทรก ไม่รู้จะทําไงค่ะทำไม่ได้ให้รู้อย่างที่มันเป็นถ้าเมื่อไรเราคิดถึงการปฏิบัติว่าเราจะทําอะไรดีนะเราพลาดละการปฏิบัติไม่ได้ให้ทําอะไรแต่ให้เห็นอย่างที่ไกลมันเป็นใจมันเป็นนะมีปรั ส, สนาว่าเห็นอย่างอย่างถูกต้องไม่ได้ให้ทําอะไรอันนี้พยายามทํารู้สึกไหมหวังว่ามันจะดียอยากได้ที่มันดีดี แล้วก็พยายามจะทำใช่ไมไม่ได้รู้อย่างที่มันเป็นไปหัดรู้อย่างที่มันเป็นเช่นใจกระวนกระวายอยากจะดีอยากจะพ้นทุกเนี่ยรู้ทันใจเข้าไปรู้อย่างที่มันเป็นมันไม่เป็นกลางใช่มันลุ้นนะ่ะมันเกลียดทุกมันจะเอาอย่างอื่นนะอย่าไเกลียดมัน่นเกลียดยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะโลกนี้เป็นทุกขนะ์นั จะหนีไปไหนอ่ะเพ่อจะหาความสุขไม่มีที่ให้หนีเลยต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเผชิญชีวิตด้วยสติปัญญาจะเห็นเลยทุกอย่างเหมือนฝันอยู่ไม่มีอะไรหรอกเหมือนฝันฝันไปขอบพระคุณค่ะนมรสการครับสังพ่อฟังซีดีหลงพ่อมาประมาณสองปีแล้วก็เริ่มภาวนาครับ แต่ว่าห่างไกลครูบาอาจารย์เพราะว่าอยู่ต่างประเทศได้ขอส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกครับภาวนาด้วยตัวเองพยายามสังเกตตัวเองนะครับแล้วก็เห็นหลงบ้างรู้บ้างช่วงระยะหลังนี่เห็นตัวกูเก่งบ่อยมากดีแล้วก็มั น, ม, นมันเหมือนมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับให้รู้ทันมันนะมันเป็ น, นกิเลสน่าเกลียดครับเจอแล้วน่าอายนะแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้มาอีกอครับ เลยอยากถามหลวงพ่อว่าจะต้องทำมา ไ, ไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อหรอกนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปแล้วถ้าติดขัดอะไรขึ้นมานะไม่ต้องไปถามใครหรอกนึกถึงหลวงพ่อแล้วไปเปิดซีดีฟังมีทุกคําตอบครับจิตกระจายออกนอกไหมใช่ครับเออให้รู้ทันสองสมวันนี้รู้สึกมัวะครับเออนะให้รู้ว่าโม่อย่าไปเกลียดมัน อย่าไปพยายามให้หายมัวอย่าพยายามให้มันกลับเข้าฐานให้รู้ว่ามันไม่เข้าฐานให้รู้ว่ามันหมัวนะรู้อย่างที่มันเป็นรู้แล้วเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เราเราบังคับมันไม่ได้ครับก็อีกนิดนึงครับหลวงพ่อพอดีพยายามหัดให้คุณแม่ภาวนาด้วยแล้วพอคุณแม่ทําในรูปแบบพอถามคุณแม่ว่าหลงบ่อยไหมคุณแม่บอกไม่หลงเลยอผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อเออนั่นยากหน่อย นะบางคนนะมาส่งกันบ้านที่เนี่ยถามว่าหลงบ้างไหมไม่หลงเลยฉันไม่เคยหลงเลย <c oughs> เห็นแล้วอึ้องเลยนาะถอยก่อนนะให้ทําบุญให้อะไรไปก่อนนะ <c oughs> แล้วก็เปิดซีดีให้ได้ยินไปเรื่อยๆแล้ว <c oughs> ค่อยๆแย่ค่อยๆแย่ <c oughs> ชวนให้ทําอะไรที่เบิกบานใจแล้วก็ดูรู้สึกไหมมันเบิกบานเมื่อกี้ไม่เบิกบานอะไรเงี้ยค่อยๆ ถามเทียบอารมณ์ไปเรื่อยๆนะเยู่ๆไปแก้แก้ยากนะยิ่งคนแก่นะแก้ยากที่สุดเลยหลวงพ่อเคยเจอนะบอกหลงเฝล่าดิฉันไม่เคยหลงเลยตานี่อย่างนี้เลยนะดิฉันไม่เคยหลง <laughs> เราเห็นแล้วโอ้โหน่ากลัวนะนี่ขนาดเธอไม่หลงอย่างขนาดนี้นะถ้าเธอหลงจะขนาดไหนตาคงหลุดออกมานอกเบ้าเลย ไปค่อยๆถามความรู้สึกของแม่วันนี้สบายดีไหมอะไรนี้นะ mm hmm. เมื่อเช้ากับตอนนี้ความรู้สึกต่างกันไหมอะไรเงี้ยนะค่อยๆหัดให้ดูความแตกต่างครั บ, ร บ, รบขอบพระคุณครับในวัสการคะ่ะหลวงพ่อปฏิบัติเริ่มจากฟังซีดีของหลวงพ่อมาตั้งแต่ปี50นะคะ mm hmm. ก็ฟังเองปฏิบัติเองแล้วก็ทบทวนด้วยตัวเองมา วิเคราะห์ตัวเองว่ า, าโมหะค่อนข้างเยอะแล้วก็จะภาวนาก็ใช้ได้แล้วละ่ะนะสังเกตไหมจิตเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนก็ไม่เหมือนกันมเหมือนกัน ะ, นะะภาวนาเป็นแล้วละ่ะดูความแตกต่างเห็นนะในวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันในแต่ละขณะแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันนะนั่นแหละดูไปไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก กราบเรียนหลวงพ่อครับคือผมเพิ่งเคยมาเข้าคอร์สครั้งแรกเหมือนกันก็สังเกตตัวเองครับเวลาเห็นอารมณ์เนี่ยบางครั้งจะรู้สึกว่าเป็นอารมณ์ที่เราปรุงแต่งขึ้นมาค่ะอารมณ์เราปรุงแต่งเท่งนั้นแหละไม่แน่ใจว่าไอ้ตอนที่เรารู้สึกว่ามันปรุงแต่งขึ้นมาในตอนนั้นนะครับมันเป็นการแยกขันที่เห็นได้มันเป็นจิตใหม่ที่เราสร้างเหตุขึ้นมาไม่ไม่เราเราเห็นจริงๆเห็นได้จริงๆขันมันก็แยกได้ ใช้ได้นะสิ่งที่ขาดเพิ่มสมาธิบ้างใจฟุ้งเก่งนะทุกวันทำในรูปแบบนะแล้วจิตหนีไปเรารู้จิตหนีเรารู้ฝึกนี้เยอะๆนะแล้วอยู่ในชีพิตประจำวันปล่อยให้มันทำงานอย่างนี้แหละ ค, คือมีปัญหาเรื่องความง่วงง่วงครับแต่ว่าสามวันที่ผ่านมาก็คือพยายามมีสติรู้ว่ามันง่วงแล้วอะไรเงรี้ยก่อนที่จะมาเข้าคอสง่วงไหมง่วงครับ ต ไ, ไปอ่านที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะแล้วไปทำเอาวิธีแก้ง่วงแปประการประการสุดท้ายคือนอน <c oughs> นอนอย่ามีสตินะตั้งใจว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่จะลุกขึ้นมาภาวนา <c oughs> เคลื่อนไหวไหมกระดุกกระดิกไปง่วงก็เคลื่อนไหวไม่ง่วงก็เคลื่อนไหว <c oughs> นะครับสู้มันหลวงพ่อเคยเป็นนะแต่ตอนนั้นจิตมันเป็นนิพพิทามันเบื่อ เราไม่รู้เลยว่ามันเบื่อนะจิตมันเบื่อแต่เราไม่รู้ว่ามันเบื่อเดินจงกรมก็หลับนะนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิเพจก็หลับทำอะไรก็หลับตลอดเลยยังแปลกใจว่าเป็นอะไรแก้ไม่ตกนั่งยังไงก็หลับเดินยังไงก็หลับไม่เคยเป็นนะไปถามหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมบอกให้ทำไปไม่ต้องไปกังวลเลยให้ปฏิบัติต่ตอไป เลยตาลังค่อยสังเกตเห็นนะจิตมันมีนิพพิามันเบื่อแล้วมันเดินตัญญามาช่วงหนึ่งนะเห็นโลกนี้น่าเบื่อก็หลบเข้าข้างในเลยไม่อยากดูมันเข้าไปไม่ได้เข้าไปง oo หรอกเข้าไปพักรวมพลังนะมันพักรวมพลังพอพลังมากพอมันขึ้นมาคล้ายๆพักมาเต็มที่ขึ้นมาฟัดกิเลสถล่มทลายกั น, นข้างใดข้างหนึ่งไปเลยงั้นง่วงก็ภาวนานะขอบคุณครับ กับนำะมัสการหลวงพ่อค่ะ เ, เป็นครั้งแรกที่มาเข้าคอร์สนะคะแล้วก็ปฏิปฏิบัติธรรมกับศึกษาธรรมะไปได้ประมาณสักปีเศษๆนะคะก็ช่วงนี้สังเกตว่าตัวเองมีความเครียดแล้วก็ ฟุ้งซ่านแล้วก็จิตจะไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิอะค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีโทสะเข้ามาเป็นระยะระยะคราวนี้จะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าไม่ทราบที่ปฏิบัติบาเนี่ยถูกต้องไหมแล้วก็หลวงพ่อมีคำแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะไหมแต่ใจเราไม่เป็นกลางหรอกนะ ใ, ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางมันไม่ชอบอะอยากดีไม่อยากเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยให้รู้ทันมันที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แล้วล่ะจริงแต่สมาธิไม่พอมันฟุ้งกิน กราบขอบคุณค่ะกราบนมัสการค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาได้สี่ห้าปีแล้วก็ปฏิบัติรูปแบบอยู่ในรูปแบบมาได้4ี่ห้าเดือ น, นแต่รู้สึกว่ามมีความเปลี่ยนแปลงไหมหรือ เ, เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรเอาความเปลี่ยนแปลงมีมันก็ก้าวหน้าสิถ้ามันเหมือนเดิมสงบแล้วก็ฟุง้งสงบแล้วก็ฟุ้งก็ไม่ก้าวหน้า รู้สึกว่าตัวเองคลายจากความทุกข์ได้ได้เร็วขึ้นนั่นแหละความก้าวหน้าเราภาวนานนะความทุกข์ก็หล่นหายไปเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นนะยิ่งภานาก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นเล ย, ยังปฏิบัติอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องไหมคะอยู่แต่สมาธิไม่พ อ, อยัฟุ้งเก่งอยู่ยงั้นทุกวันทําในรูปแบบน ะ, ะที่ฝึกมาใช้ได้อยู่ขันเขินก็แยกแล้ว ตามสการหลวงพอ่อค่ะมาจากไหนมาจากยโสธโครค่ะอมาไกลว่าไงฟังสิดีของหลวงพ่อมาหนึ่งปีกว่าๆค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยังเห็นเอ่อฝึกดูดูกิจค่ะแยกแยกกิจแยกรูเวียน้มก็มาถึงตรงที่มันเฉยค่ะหลวงพอ่ออะอย่าไปค้างเฉยๆอยู่นะค่ะรู้สึกเฉยๆเหมือนกับพอพอ มีสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่ไปไหนเื่อก็เตื้องไปไหนเลยค่ะให้รู้ทันว่าใจมันชอบสุขอะไรเงี้ยนะหรือว่ามันสุขอยู่นานแล้วชักกังวลใจแล้วมันจะไปยังไงต่อรู้ว่ากังวลค่ะนะสุขนี่ก็ไม่เที่ยงละตอนนี้กังวลเนี่ยดูไปนะไม่ได้ของเที่ยงหรอกขอกันบ้านหลวงพ่อด้วยค่ะเนี่ยแค่ไปรู้ทันนะใจะมีความสุขขึ้นมาแล้วใจพอใจในความสุขก็รู้ ใจไม่พอใจนะกลัวว่าจะติดก็รู้รู้ทันใจที่พอใจใจที่ไม่พอใจใจที่ชอบใจที่เกลียดยรู้เรื่อยๆไปค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะอะหมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้าน